ที่ผ่านมาขอเหนื่อยล้าเพื่อลูก พ่ผู้มีพลปกป้าปกใครหาผู้ใดอยู่ในโลกนี้เพรเทียมท่านพ่อเฮาให้พ่อเจ้าเจอจำสดใสให้พ่อเจ้าพ่อเจ้านี่เจอจำสดใสขอถาวายบังคมให้พ่อไทยสุขล้นให้พ่อไทยนอสุขหล่น สิบนิ้วกายกิ้วเกาลูกขอวันตาปอพระเป็นเจ้าองค์ูมีผลป่อหลวงทองเทาปูคําเจ้าเถิดอุ่นบูชาประชนมายุบป่อยังยุบ บาานวนวพระคุณใหญ่หลวงจากดินสุปาเฮาเจ้าล้านนา เป็นชาวปักตายมอบใจถวายให้องค์ผู้มีพ่อคือพ่อของลูกไทยพวกเราชาวไทยพร้อมใจสักดีหากใครคิดมาย่งมีหากใครคิดมาย่งมีใต้ปา่าธุลีพร้อมปลี่ยที่พลัม เชยโรองสรรเสริญขอท้าทรงประเจริญกระเสมสานประสุกนิกรชาวไทยน้องกราบกรานขอพระชนยังยืนนานชั่วการนิรัน ในหลวงหมู เ, เห่า ก, หห ก, กะหักในหลวงเหรอเมื่เราก็รักในหลวงหมูไห่กะหักไม่หลวงคือการขอพระองค์ทรงพระเจ้